เสีาบุคคลก็คือว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่นะแต่ไม่ใช่หมายถึงการเข้าห้องเรียนอ่านตำรับตาราแต่ได้แก่การปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาตนเสีข่าบุคคลคือพวกเราก็มีกิจที่จะต้องเรียนรู้นะจนกว่าจะจบกิจนะก็คือว่าสิ้นกิเลสหรือดับทุกได้นี่ในการศึกษาของพวกเราเนี่ย ในฐานะชาวพุทธหรือผู้ที่มุ่งเข้าถึงนะความหลุดพ้นนะแห่งทุกข์อันเราก็จะเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สูงสุดของเราคือพระบรมศาสดานะพระพุทธองค์แต่ว่าพระองค์ก็เสด็จไปนรริพพานไปนานแล้วนะอนทิ้งไว้แต่คำสอนแต่ครูบาอาจารย์ที่จะช่วยเราได้นะก็ยังมีอยู่นะ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 ทำด้วยความใส่ใจระบาระวังนะไม่ส่งเสียงดังทาเบาๆนะจนบางทีมันก็ว่าไม่ได้มีท่านอยู่ในที่นั้นด้วยเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้แปลว่าท่านจะทำเนิบช้าบางท่านก็ทำคล่องแคล่วนะแต่ว่าเรามันระวังไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนผู้อื่ น, นอันนี้เรียกาความงดงามแต่ว่าเวลามีคนส่งเสียงนะ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 เวลามีคนใส่ไลายกล่าวหาท่านท่านกับเฉยในช่วงในช่วง30ปีที่ผ่านมานี่ท่านก็โดนใส่ไลายเยอะนะเพราะว่าตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระที่มีคนรู้จักมากอายุท่านก็40ิกว่าก็เรียกว่าเป็นพระหนุ่มท่านทำในสิ่งที่พระหลายรูปไม่ทำเช่นใส่ใจพัฒนาชุมชน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 ชื่ออะไรนะบ้านอยู่ไหนทำงานที่ไหนขอดูบัตรประชาชนอะไรต่างๆเป็นต้นแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพอท่านอยู่ในสาการชนิด ก, ก็ถูกระแวงเราไม่ได้ถูกระแวงปล่าเราถูกใส่ร้ายด้วยคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากงานที่ท่านทำนะท่านมีทำสากรเข้าวได้เงินมาคนให้เงินถวายเงินมานะ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 หลวงพ่อท่านก็ไม่อยากหาเรื่องนั้นก็บอกว่าผมไม่แน่แต่แทนที่ภาพรูปนั้นนี่จะจะจะอยู่เฉยนะก็กลับเอาไม้หน้าสามนีม่ฟาดท่านไม่ไฟาดทีจะฟาดหลายทีหลวงพ่อสิท่านก็ไม่ตอบโต้นะท่านกลับยืนนิ่งให้ภาพรูปนั้นเนี่ยฟาดด้ยซ้ําในใจท่านก็นึกว่าเออพิจารณาวันเนื้อหนังมังสาเป็นของเน่าเปื่อย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 บาประการของครูบาอาจารย์ที่เราน่าจะนํามาพิจารณามาเป็นแบบอย่างได้ในแงๆที่ว่าเ่เวลาเวลาเราจะฝึกฝนพัฒนานตนเนี่ยในด้านนึ่งเราก็ต้องพยายามรักษากายวาจาของเราเนี่ยไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นสีเนี่ยมันก็เป็นจะเรียกเป็นเป็นรัว้วหรือเป็นอ่า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 นักปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำให้ได้ดีทั้งสองอย่างก็คือว่า 1. เราไม่รบกวนใคร 2. ถ้ามีคนมารบกวนเรานะเราไม่ทุกข์นะหลายคนเนี่ยนะใส่ใจเคร่งครัดในการรักษาศีล น, นะพยายามาให้ศีลทั้งข้อ1ข้อ5นี่เรียกว่าสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ว่าเวลามีคนมาละเมิดศีล น, นะส่งผล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 นะหรือมารบกวนตัวเองในเป็นทุกเนี่ยอันนี้ยังไม่ดีพอนะต้องประเภทที่สามคือว่าไม่เบียดเบียนใครด้วยนะไม่รบกวนใครด้วยและถึงแม้จะถูกรบกวนถูกเบียดเบียนนะใจก็ไม่ทุกนะไม่เอะอะโวยวายไม่ตีโพยตีพายแล้วก็ไม่ไม่โกรธ ด, ด้วยนะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติควรจะใส่ใจนะเพราะว่าเท่าที่เท่าที่เห็นหลายคนนะ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 แต่เรายังทุกข์เมื่อมีคนมาเบียดเบียนรบกวนเรานะไม่ว่าจะว่าร้ายใส่ร้ายหรือว่าลักขโมยโกงทรัพย์สมบัติของเราหรือเอาของลักของหัวของเราไปหรือมาทำร้ายนะตัวเราอย่ามองข้ามประเด็นนี้นะเพราะว่าอย่าไปเข้าใจว่าคนเราเพอทำดีแล้วเนี่ยนะมันจะมีคนทำดีกับเราด้วยนะอันนี้นักปฏิบัติธรรมหรือว่า